โลกก็ะทำครอบมั่งไม่ได้คือสุขคือทุกข์ครอบมั่งไม่ได้ลูกกระทำคือสุขคือทุกข์ผู้ ท, ที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์หรือว่าเป็นมงคลหรือว่าทำปณิพานให้แจ้งปณิ lång. พนานก็คือเหนือสุขเหนือทุกข์ดังพระเจ้ า, ขาเข้าสู่ปณิพนันแ์ละสุขและทุกข์เสียได้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 มนุษย์มักจะไปสูงๆแบบเนี้ยไม่ใช่ขาสองแขนสองเป็นมนุษย์เป็นลักษณะที่มีการกระทําที่บ่งบอกทั้งความมนุษย์มนุษย์คือผู้ใจสูงเหมือนหนุ่มโยงทีดีที่เบลขนถ้าจิตใจมันตําเป็นได้แต่เพียงคนต้องเสียทีที่ตนได้เกิดมา นันถ้าคนเนี่ไปตนนกนรกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปสู่นรกเท่ากับผลของโโหมนุษย์เห็นมันสุขมันทุกข์ไปตนนกนรกเท่ากับเขาโโหมีน้อยนิดเดียวเพราะเห็นไม่เป็นเนี่ยน้อยที่สุดที่จะเป็นไปสู่นรกจนมากก็เหนือเหนือไปแล้วไปเมืองบนเห็นคนฉีดช่าง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 ถ้าเป็นทบาลที่ฐานก็หมายถึงจิตนี่แหละจิตเหมือนภาชนะทองรองรับพุทธพส์พระธรรมเทศนาต้องเป็นภาชนะทองรองลับไม่ซุ่มเหมือนเราจะไปรับน้ำมันน่ะน้ำมันนี่ไม่มีอะไรที่เก็บรับมันได้นอกจากภาชนะทองแต่ถ้าบางคนมี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 กายก็เป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติที่มันโกรธมันโลภมันหลงมันสุขมันทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นทั่วข้างทั่วคราวลูกก็เป็นอาการมันร้อนมันหนาว้ามันร้อนมันเป็นหนาวมันเป็นปวดมันเป็นหิวยวมัเป็นมันก็ไม่ใช่ลูกสิที่มันเป็นอาการนั้นลูะอาการของลูกไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาการ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 ง่ายง่ายถ้าชัดทีแรกอาจจะยากสักหน่อยเรื่อวามโกรธอาจจะอดทนองไม่พูดในเวลาโกรธไม่ทำสิ่งใดๆในเวลาโกรธอดทนอดขั้นไว้ก่อนกลมไว้ก่อน้วยว่าจะถังครับมุดจุดพ้นพระกลมไว้เหมือนฉลาทับยาเอาหินไปทับไว้ก่อน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 แล้วก็แข่ไก่ก็ไม่หนีไปไหนกอบคนลน้องตาแข่ไก่มันว า, างกันแล้วมันก็ขึ้นไปนอนพอดีงูออกไปแล้วก็เดินขึ้นสลากไก่ขอดีทุ่นตกมันชายคามันไหลลงมาไปถูกดินที่นั่นดินใหม่ฝนใหม่มันลื่นล้วก็เลยสลากไก่ล่มลง ม, มาทับกระดูกที่โครงที่มันหัก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 แต่ว่าจะไปเอายาดไม่ได้ถ้าจะทิ้งไป้ก็ใจขาดอยู่แล้วต้องกอดอคอนตายอยู่สองคนพืดลมตายทั้งสามคนคนหนึ่งไปพี่น้องมาเหมาลถม า, นานกลับบ้านได้รา น, านไปไหนโบราณท่ า, นาคนเดียวขวนหายสองคนพื้ลมตายสามคนกลับบ้านดาถ้าไม่เก่งนะได้เก่งก็ไปเถอะโดยเจ้าเรียกว่า